ไปแล้วความตายเนี่นยโยมวันตื่นได้แล้วก็จะเลิกแล้วเพลียสิเนะนาะนั่งรถทั้งวันตื่นนั่งก็เชา้าจะไปอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าก็จะไปต่ออีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เราศึกษาพระธรรมก็คงไม่เมาในสามอย่างนี่นะหนึ่งไม่เมาในชีวิตสองความเป็นหนุ่มเป็นสาวสามความไม่มีโรคไม่เมาแล้วนะเพราะว่ามันป่วยเริ่มทยอยกันป่วยอย่างไ้ก็ไม่ค่อยเมาเลยนะเอ อ, เ อ, อใช่ใ่เราก็ป่วยเป็น ก็สมควรแก่เวลานะก็น้อมโมธนาด้วยในช่วงเชา้านี้อยากจะมีใครสมทนาไหมหรือว่าจะฟังอย่างเดียวนะนะหรือว่าใครจะมีประเด็นอะไรเก็บมาจะได้สมทนากันก็ได้น่นะนะสถานที่ตรงนี้เรามาเป็นครั้งที่สองแล้วนะสังเวชนียสถานสีต่ตำบล น, นั้นแต่ละแห่งเราต้องเข้าสองครั้งอันที่จริงต้องเข้าสามครั้งยังกะยมพอดี แต่ว่าสังเกตจากเวลาที่เราอยู่แต่ละครั้งนี่ก็นานมากก็ถือว่าคุ้มค่านั่ น, น, นคือได้เราตัดเวลาพวกซื้อของเวลาท่องเที่ยวทั้งหลายออกไปเพื่อจะได้มีเวลาอยู่ในสังเวชนียสถานนานเมื่อวานก่อนยังสนทนากับผู้การเลยบอกว่าเราเนี่ยส่วนหนึ่งบางทีนะรีบมาไหว้สังเวชนียสถานรีบไปทำโน่นทํานี่เอาเวลาที่เหลือจะได้ไปเที่ยว ฮะนะบอกโอ้โหน่าเสียดายมากโกาญก็บอกว่าถ้าจะเที่ยวจริงๆก็น่าจะไปเที่ยวที่ประเทศมันจเจริญหูจเจริญตาอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวอะไรอย่างงี้ยไหนๆมาอย่างเงี้ก็มาเอาบุญให้เป็นหลักเลยซึ่งสังเวช ว, ว, วัตรเราก็เห็นตั้งเยอะกุศลธรรมใดที่เราควรเจริญเราควรบำเพ็ญเราก็ควรจะรีบบำเพ็ญไปเลยซึ่งอย่างสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะถ้าเรามาเจริญกุศลไงวันไหนตอนหลังเราเห็นหมอกเห็นน้ําค้าง อากาศยานช้าเราก็ระลึกได้เลยว่าหน้าที่ตรงนี้เราเคยมานั่งเนีนะมเคยมานั่งเสพอุตุชรูปกี่องศาดีเนี่ยยี่สิบห้าองศาเนี่ยนะประมาณเนี้ยอันได้รับอากาศยี่สิบประมาณยี่สิบห้าองศาแดดสอดส่องมาก็ระลึกถึงว่าเคยนั่งที่สถานที่ทอ่พระโพธศสัตว์ปัสสาวะเนี่ย คน ท, ที่ให้ความสําคัญต่อมวลมนุษยชาติมวลสรัรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าพระองค์อุบัติขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของโมูสัตว์จริงๆถ้าหากว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะได้รับเมื่อเสียสงไข่แสนกลับที่แล้วแต่ที่พระองค์ทนอยู่ทั้งหมดทําทุกอย่างเนี่ยต ล, ลอดระยะเวลาเสียสงไขยเนี่ยประโยชน์ผู้อื่นโดยส่วนเดียวนะผู้เวนายสัตว์โดยส่วนเดียว อ่าเรียกว่าประโยชน์ผู้อื่นโดยที่ตนได้รับแต่ความเดือดร้อนอั น, นั้นซึ่งคนธรรมดาทั่วๆไปนี่คิดไม่ได้หรอกว่าเอ่ะทาได้ยังไงเนี่ยทำได้ยัง ไ, ไงไซึ่งประโยชน์ของพระ อ, องคเองไม่มีอะไรเลยนอกจากอะไรนะนอกจากทุกข์นะนอกจากทุกข์นอกจากโศกประโยชน์เพื่อความสุขแก่และอุปาทานพราะผโพธิสัต์ท่านอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยที่เต็มไปด้วยโอฆาเกเลททั้งหลาย ท่านก็ยังมีอกุศลจิตเหมือนคนอื่นเขาท่านก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงท่านก็ยังมีดีใจมีเสียใจแต่ในบรรดาดีใจเสียใจเหล่านั้นท่านน้อมทุกอย่างคิดทุกอย่างให้เป็นไปกับ บุญกุศลทำทุกอย่างโดยการดันเพนบารมีเกี่ยวข้องกับสิ่งใดท่านก็ได้บุญกลับมาอะนะประโยหน้ณที่ใดท่านก็ประพฤติประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเสมอมาเพราะว่าเจตนารมทุกอย่างในการปฏิบัติของท่านเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันใดทั้งหลายก็ได้มาฮอนลํำลึกนึกถึงพระองค์ น, นะผู้ ผู้มีพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นะผู้มีพระมหาการุณากว้างขวางประดุจอะไรบางแห่งก็บอกว่าเหมือนห้วงน้ำบางแห่งก็บอกว่าพระกรุณากว้างขวางประดุจอากาศนั่นเกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดพระองนั้นมีกรุณาสม่ำเสมอ ไม่มีลดหย่องลงเลยในกรุณาแต่ทีนี้ความที่พระองค์นั้นไม่ใช่มีแต่กรุณาอย่างเดียวพระองค์นั้นเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยปัญญาเมื่อพระองค์นี้สมบูรณ์ด้วยปัญญาพระองค์จึงรู้ว่ากิจใดควรทํากิจใดไม่ควรทํากิจใดควรบําเพ็ญกิจใดไม่ควรบําเพ็ญเพราะความที่พระองค์เป็นผู้มีปัญญาทีนี้ความที่พระองค์มีกรุณานั่นแหละพระองค์จึงไม่ทําทุกอย่างเพื่อเบียดเบียนคนอื่นแต่ก็ทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ศกเพื่อ ประโยชน์แก่ผู้อื่นอันพระ อ, องค์นั้นอุบัติขึ้นมาในโลกประสรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระ อ, องค์ตรัตแต่อุบัติขึ้นในโลกเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็เหมือนกับพระอาทิตย์นี่แหละที่ส่องสว่างสว่างให้สัตว์ทั้งโลกไอ่สัตว์โลกทั้งหลายมองเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่ว เห็นอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ให้เห็นประโยชน์โลกนี้ให้เห็นประโยชน์โลกหน้าให้เห็นประโยชน์อย่างยิ่งให้เห็นกรรมให้เห็นผลของกรรมให้เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคให้เห็นชาติทุกข์เป็นต้นให้เห็นกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาตัญหาเป็นต้นให้เห็นพระนิพพานอันที่สงบประงับดับวัฏทุกข์ทั้งตัวให้เห็นโพธิปัจจะธรรม37มประการซึ่งเป็นธรรมนาออกจากวัฏทุกข์นั่นเอง ันการอุบัติเกิดขึ 1941, ้นของพระองค์นั้นโสดาสารณะคนทั้งหลายจากหมู่สัตว์ไม่มีศรัทธาก็มีศรัทธาหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่มีศีลก็มีศีลหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่เจริญสมถะวิปัสสนาก็เจริญสมถะวิปัสสนาหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้โสดาปฏิผลโสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลก็ได้โสดาปฏิมร์โสดาปฏิผล ได้สะกอาาคามีมากสะกอาาคามีผลได้อนาคามีมากได้อนาคามีผลได้อรหัตมรักอรหัตตผลได้วิชาสามได้อภิญญาหกได้ปฏิสัมพิทาสีได้วิโมกแปดได้อสีติมหาสาวกได้เป็นอัครส า, าวกเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่บำเพ็ญบุญในสมัยพุทธกาลก็ตรัสรู้ตามพระสาัมมาสัมพุทธเจ้าก็หาประมาณไม่ได้ยากที่จักรณานับว่าเท่าไใดเท่าใดในกระทั่งตัด อพวกเราทั้งหลายผู้เป็นชนที่เกิดมาในภายหลังเราก็ยังได้แบ่งปันประโยชน์เหล่านั้นมาตามสมควรใช่ไหมตามสมควรยังไงถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมนะจิตตอนนี้เราจะเป็นยังไงนะเราก็ทำทำประทุษร้ายตัวเองเสมอมาใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่มีคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, านะอย่างสมมติถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะนะคิดไหมว่าความน้อยเนื้อต่ําใจนี่มันเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษก็จะไม่คิด ก็จะเก็บแต่ความน้อยเนื้อต่าใจเก็บแต่ความน้อยเนื้อต่ำใจทำไมทาไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราก็เก็บไม่สบายใจงุดมีอึ ด, ดอัดเครียดไม่รู้ด้วยนะว่านั่นคืออักุุลนั่นคือสิ่งที่มีโทษเราก็จะพยายามพอกผนมัน ราคาโทาศโมหะบาปอกุศลหลายชนิดก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาประทำคําสอนเราจะไม่รู้เลยว่ามันเต็มไปด้วยทุกทโทษทีนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาคําสอนเนี่ยนะเราจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่อีกนานอมตะนิรันดอนเลยแหละเบิ้ลก็ว่าเกิดอีกอยู่อีกนานเหมือนกันทีนี้ถ้าหากว่า เราไม่ได้อาศัยคำสอนเราจะรู้หรือว่าทางไหนเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ทางไหนเพื่อพระนิพพานทางไหนเป็นทางเพื่อปลอดภัยเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยแต่นี้อาศัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เราเริ่มรู้จักรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้อะไรเป็นโทษอะไรไม่มีโทษเราก็จะได้ ชีวิตที่หรัวก็จะเป็นชีวิตที่มีสาระมากขึ้นมีสาระมากขึ้นในการศึกษาพระธรรมคําสอนสําหรับผู้ที่ปฏิบัติในเรื่องแรกเนี่ยนะในเริ่มต้นเนี่ยถามว่าจะถือเอาอะไรเป็นข้อปฏิบัติหลักสําหรับชีวิตของเราอ่านะแต่ละคนเนี่ยบอกได้ไหมว่าถือเอาอะไรเป็นข้อปฏิบัติหลักประจําชีวิตของตนอ่านะคนอื่นๆก็อาจจะแนะนํากันไป แต่ถ้าของอนามาอยากจะแนะนําให้ปฏิบัติอยู่ในโสดาปฏิยังฆ่าธรรมสี่ประการนะนะให้เธอเอาโสดาปฏิยังฆ่าธรรมสี่ประการเป็นเป็นหลักในการปฏิบัติที่จะดําเนินชีวิตเพราะเราคงไม่กระโดดเพื่อไปเป็นพระสะกท า, าคามีเลยมั้งใช่ไหมไม่กระโดดไปเป็นพระนาคามีเลยนะจะเติมพระอาหารรวดเดียวเลย ก็ไม่ใช่ในเบื้องต้นเนี่ยปุถุชนทั้งหลายก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันอย่างไงก็ต้ององค์ประกอบของผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างใช่ไหมถ้าการเป็นพระโสดาบันโดยข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระโสดาบันอย่างหนึ่งกับผู้ที่เป็นพระโสดาบันไปแล้วอย่างหนึ่งข้อปฏิบัติที่จะทําให้เป็นพระโสดาบันเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่ง การครบสัตว์บรุษสองฟังธรรมของสัตว์บรุษสามโยนิสโสมณัสถการสี่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมอนะแปลตามสภาวะเขาบอกปฏิบัติธรรมให้คู่ควรสมควรแก่โลกุตระธรรมข้อแรกการครบสัตว์บรุษทั้งหลายการครบสัตว์บรุษทั้งหลายเนี่ยของเราทั้งหลายก็ตั้งสรรนคมไว้ค่อนข้างดีใช้ได้อนะคือดีใช้ได้เลยว่าข้าพเจ้าจักเที่ยวตาใช่ไหมมว่วเอานะหรือเปล่า ตาเป็นสีก็โหเสียงสวดนีเจ้าเลยนะสามรอบด้วยนะรอบเดีวยวไม่ได้ต้องสามครั้งด้วย น, นะจากเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองจาก ชนบทสูชนบทจากประเทศไทยมาอินเดียก็จะมาไหว้พระนี่แหละโดยจะกลับไปบ้านไปไหนบอกไปไหว้พระต่อจะไปนครปฐมอีกแล้วใช่จะไปไหว้พระจะไปที่ไหนก็เ <even> พื่อไหว้พระกลับไปเชียงใหม่หลายท่านก็จะไปไหว้พระต่ออีกกันนะอยู่บ้านจะไปไหนแต่จันทิตบอกว่าจะลงใต้ไปไหว้พระต่อไปอีกนั่นเองก็แสดงว่าจักเที่ยวไปทั้งมวลเพื่อไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเคารพพระองค์มันการคบสัตบุตรเนี่ยนะการที่เรามีเจปนารมณ์ตั้งไว่อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นการคบสัตบุตรคือควบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่การคบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้คบด้วยตาอ่านะไม่ได้ควบด้วยตาใช่ไหมแต่ควบด้วยใจอ่นะคบด้วยใจทีนี้ควบพระพุทธเจ้าด้วยใจนี่ควบได้ยังไงตอนนี้พระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์สุขโตไปดีแล้วพระองค์ไปยังไงหนอ เนยนะพระองคนะ์ไปตามอริยมรรคเนี่ยนะไปตามไปสู่ที่ไหนไปสู่อสังขตาธาตุไปสู่ธาตุอันปัจจัยไม่ตรงแต่งที่เรียกว่าพระนิพพานเนี่ยนะพระองค์ไปดีแล้วพระองค์นีไ้ไม่หวนย้อนกลับมาหาบาปอกุศลอีกเลยมูสัตว์ทั้งหลายถูกบาปอกุศลประทุสร้ายพระองค์ไม่ย้อนกลับมาหาบาปอกุศลอีกเลยอย่างผู้ที่เป็นปุถุชนทั้งหลายถ้าไปเกิดในภพใหม่ ไปสู่สุขติกลับมาให้บาปอกุศลประทุสร้ายอีกใช่ไหมนะก็ยังย้อนกลับมาให้บาปอกุศลประทุสรายเล่นงานอีกถ้ายังไม่พ้นจากวัฏทุกเนี่ยนะนะเหมือนกับว่าถ้ายังมีร่างกายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็ยังเบียดเบียนก็ยังมีโรคทั้งหลายมาเบียดเบียนเพราะยังมีกายเป็นที่เป็นเรื้อรงังเอ่อเป็นที่ที่เป็นรังของโรคอันพระองค์นี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วพระ อ, องค์นี้ไม่ย้อนกลับมาหาบาปอกุศลอีกต่อไป พระ อ, องค์นั้นเกี่ยวข้องทุกอารมณ์ไยนะทุกอย่างที่พระ อ, องค์เกี่ยวข้องไม่เป็นการมัสุ ข, ขันลิกานุโยกเลยเพราะพระ อ, องค์ไม่กำหนัดในอารมณ์เหล่านั้นเลยแล้วก็ไม่เป็นอัตตกิณมัทฐานุโยกเพราะไม่องไม่ขัดเคืองในทุกอารมณ์เลยแล้วก็พระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีจิตตั้งมัน่นแต่ละอย่างแต่ละอารมณ์นั้นพระ อ, องค์รู้เหตุเกิดความดับอสาศธาอาทีนวะนิสรณะในนอย่างคนที่เรามองเห็นเนี่ยถ้าเขาไม่มีอสาศธาอยู่นะเขาไม่ติดอย่างนี้หรอก ถ้าเขาไม่มีอาสาทะอยู่กับชีวิตของเขานะเนื่องจากว่าเขามีอาสาทะอยู่ในตัวเขาจึงท่องเที่ยวจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งเพราะอาสาทะอาสาทะเทโถทำให้เขาอยู่ได้อย่างแต่อติสุขเนะี่ยเพราะอาสาทะแต่เมื่อใดที่อาสาทะมันลดลงอะไรเกิดขึ้น อาทีนวะก็เกิดขึ้นทีนี้ถ้ามีแต่อัส า, าธาโดยส่วนเดียวมีแต่สิ่งที่น่าชื่นใจโดยส่วนเดียวมีแต่สิ่งที่น่าพอใจโดยส่วนเดียวเราทั้งหลายจะดัน้นเด่นมาศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเราจะมาไหว้พระองค์หรือแล้วพระองค์จะบำเพ็ญบารมีเพื่ อ, อ, อวววความพ้นทุกข์หรือถ้าหากว่าในโลกนี้มีแต่สภาพที่น่าชื่นใจโดยส่วนเดียวใช่ไหมมีแต่ดีหมดเหมือนกับว่าทุกอย่างโปรยไว้ด้วยกลีบดอกอะไรดี ดอกกุหลาบหรือดแบบอกมะลินะไรกุหลาบนี่ถ้ามันเรื้องหรือตัดตอแล้วก็ยุ่งเลยเดินไปตรงไหนก็ขูดหมด ม, มันสรุปว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่อัสธาธะโดยส่วนเดียวมันมีอาทีนะวะด้วยแพงตรัดเลยว่าถ้าหาว่าโลกนี้นะมีแต่อัสธาธะอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีใครไม่มีใครที่จะออกกอกเพราะมันมีแต่ดีอ่ะ ขณะเดียวกันถ้าหากว่าโลกนี้มีแต่อาทีตินาวะอย่างเดียวแล้วใครจะบรรลุบ้างถ้ามีแต่อาทีตินาวะอย่างเดียวแล้วใครจะติดอยู่ในโลกนี้บ้างอ๋อมีใครข้องมีใครติดไหมก็ไม่มีใครข้องไม่มีใครติดแต่เมื่อจากปกติของโลกมีทั้งอสสาทะมีทั้งอาทาาีตนวะมีทั้งหน้าชื่นใจแล้ว <l ake campaign> ก็หน้าขมขื่นอย่างงั้นเลทั้งขมขื่นแล้วก็หน้าชื่นใจอีกพักหนึ่งก็ชื่นใจอีกพักหนึ่งก็ขมขื่นกลับไปอย่าีกแล้วมันก็เลยอย่างนี้แหละอะไรนะ ทำไมเด็กๆเนี่ยยายาเขาให้เด็กกินเนี่ยนะเขาบอกว่าให้ให้เรียกให้เด็กเรียบกลินเลยไ้ยเราก็อยากสัมผัสความหวานนาน ๆ, ๆก็เลยอมอะไรเกิดขึ้น โอ้ยขมมากเลยนะอาเจียนเลยอนะืมขมอะไรขนาดนั้นเด็กๆ ก, ก่อนนะเขาไม่มีความอดทนอะไรเนี่ยนะเครื่องที่เขาเคลือบหวานเนี่ยเขาอยากให้เรากลีนเลยเขาไม่ได้อยากจะให้เราโอมอะไรหรอกนะนะเพราะยาจริงๆแล้วมันขมเนี่ยเขาเหมือนการโลกนี้เนี่ยนะแร ก, แรกๆเลหลายเรื่องอาสาท่ามันเคลือบเอาไว้ฉาบทาเอาไว้เพราะนั่นแตลว่าความทุกข์ทั้งหลายมาในรูปแบบของ ความสุขเนี่ยนะมาในรูปแบบความสุขถ้าไม่มีความสุขอยู่ลนะที่นั้น น, นสัตว์ทั้งหลายไม่ติดใน่คล้องหรอกแต่เนื่องจากว่ามันมีความสุขอยู่บ้างแต่ผู้มีปัญญาทั้งหลายเข้าเลยเขามองเห็นไปหาความทุกข์ที่ติดตามมาเนี่ยเห็นความทุกข์ที่ติดตามมาเหมือนมองเห็นเด็กเนี่ยโอ้น้ารักดีนะตัวน้อยน้อยดีน่ารักดีแต่เหอะถามว่าอีกชีวิตของเขาถ้าต้องอยู่ในโลกอีกเท่าสิบปีนี่เขาจะอยู่ในสภาพไหนเนอะใช่ไหม เรามองเห็นเด็กนักเรียนเออก็ดูน่ารักดีนะกําลังวัยที่กําลังอะไรนะเหมือนดอกไม้แรกแย้มเลยก็น่าจะอยู่อย่างสุขสบายใช่ไหมแต่นี้ถ้ามองชีวิตของเขานะ10ปีผ่านไป20ปีผ่านไป40 50ปีผ่านไปจนอายุตาย90ไปเลยเขาจะเป็นยังไงเนอเราเริ่มเห็นแล้วอาธีนะวะทั้งหลายนี้ได้เกิดขึ้นแล้วพันเรื่องทั้งหลายที่มันดูน่าชื่นใจในตอนต้น โหมันน่าทุกโทมันัดไปตอนปลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างร่างกายของเรานะตอนที่เราเกิดมาแรกๆเลยตอนเล็กๆเลยนะเราว่าดีไหมโดยทั่วไปโดยมากนะโดยมากก็ว่าดีโอมีความสุขจริงที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะดีใจมากที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่พอทํามาหากินไปเข้าปัญหาอินลงตรงนงั่งเอ๊ะทำไมมันยุ่งขนาดนี้มนุษย์เนี่ยทำไมมันทุกข์ขนาดนี้ก็บอกนี่สุขตินะทุกขติจะขนาดไหน พระองคนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยพระผู้เป็นสัตว์บุรุษพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่วิจัยรู้จักอาศะธาของโลกโดยประการทั้งปวงรู้จักอาร์ธนวะของโลกโดยประการทั้งปวงว่าโลกนี้มีอสาศะแค่ไหนมีความน่าชื่นใจแค่ไหนอย่างแผ่นดินที่เรามองเห็นเนี่ยมีอสาศะธาไหม เนี่ยนะถ้าราสมมติถ้ามองเห็นแบบรู้น่าเงลยไงถ้ามอแบบธรรมดาเนี่ยเราก็จะบอกเอ้ยมันก็ไม่น่าเพลิดเพลินเท่าไหร่แต่ถ้าให้มูลค่าเข้าไปนะเอาละพอคิดถึงมูลค่าเข้าไปแล้วเริ่มเริ่มอาศัยะเข้ามาแล้วใช่ไหมหรือถ้าในที่นั้นๆเนี่ยเอามาปลูกเป็นเป็นอะไรนะเอาดอกไม้มาหยานลงแล้วดอกไม้บานหมดเลยอะไรเกิดขึ้นอีกอาสายพระต้องเข้ามาทั้งหมดไอ้ที่แห่งเดียวกันเนี่ยเดียวก็ห้งเลย ถ้าอีกภาคหนึ่งนะฝนตกเดี๋ยวดอกไม้มันบานงามอีกนะก็มีทั้งหน้าชื่นใจแล้วก็มีทั้งหน้าที่เรียกว่านหน้าขมขื่นทั้งหมดทั้งโลกทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละพระองคนี้ไม่น่าเชื่อว่าพระองค์จะแยกสองส่วนนี้ออกว่านะความหน้ายินดีกับความเลวร้ายเนี่ยนะพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มองเห็นแต่ส่วนแห่งความเลวร้ายอย่างเดียวเช่นตาที่เราเห็นอยู่หูที่เราฟังอยู่จมูกกลิ่นลิ้นรสกายเถรพะเนี่ยนะ พ่อองก็รู้ว่ามันน่าชื่นใจยังไงแต่ถามว่าทุกโทษมันแค่ไหนล่ะนะที่ที่ที่เราจะต้องบริหารอย่างบริหารตานี่ไม่ใช่บริหารง่ายๆเลยนะตาเนี่ยหูนี่ก็บริหารยากยากก็เชื่อไหม โหนี่บริหารยากมากมันจะต้องเลือกฟังนะมันต้องฟังอย่างนี้นะอย่างอันมันไม่ฟังอนะ่ะมันจะฟังอนะไอย่างนี้เป็นต้นนะบริหารหูก็ยากบริหารลิ้นนี่ยุ่งยากนะมาอินเดียหลายคนก็ว่าหนพร้อมไปเยอะเลยนะั่นเลยไปอะไรบริหารอะไรบริหารลิ้น <laughs> บางคนก็บริหารใจนี่ยากยากนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มหาบริหารแต่ค่อยดูเธอมันจะมหาวิการให้ดูมหาวิการนะนี่เป็นบาลีนะถ้าเป็นภาษาไทยได้อะไรมหาวิการ อันนี้ในข้อเห็นถ้าเป็นตามสนามบินนี่เขาจะมีอะไรนะมีห้องน้ำประสาหรับคนพิกา ร, การคนพิการก่อนหน้านี้เขาพิการมาก่อนไหมบางทีก็คนธรรมดาแบบเราเรานี่แหละเอาย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าโซดาปฏิยังฆ่าธรรมเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเนี่ยหนึ่งครบสัตว์บรุษเพราะเราจะต้องรู้จักพระพุทธเจ้าด้วยใจใน ทุกหนทุกแห่งแล้วก็ทุกอารมณ์เราก็พยายามฝึกดูนะว่ารับอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยเราจะรู้จักอิติปิโสได้ยังไงหมายคือว่าสงเคราะห์อิติปิโสลงกับทุกอารมณ์ให้ได้อันนี้อันนี้คือที่เราจะรู้จักพระพุทธเจ้าดีนะถ้าหากว่าเรามองเห็นทุกอย่างไม่เป็นอิติปิโสเข้าก็ก็ยากเหมือนกันนะอย่าสมมติถ้ามองอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยมองเป็นตั้งแต่ อ, อรหังไล่ไปได้ไหม สวัสพ่อองค์เนี่ยอารมณ์ที่เรามองเห็นมองเห็นในพ่อองค์เห็นไหมเห็นพ่อองค์มีฉันทราคาในอารมณ์นี้ไหมไม่มีอารมณ์ที่น่าพอใจสําหรับเราพ่อองค์ไม่มีฉันทราคาเลยอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจพ่อองค์ไม่เสียใจเลยเราเนี่คิดถึงอารมณ์นั้นม็ไปหมดนึกอะไรก็ไม่ออกแต่พ่อองค์รู้าอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดอย่างแจ่มแจ้งโอ้เห็นชัดเลยว่าเราเป็นผู้ไม่รู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เนี่ยนะ เราเนี่ยไม่รู้พระพุทธเจ้าพระองค์รู้อันนี้ก็รู้อรหันตคุณของพระองค์ไนงะของเราเกี่ยวข้องกับอะไรก็เกี่ยวข้องด้วยกรรมกับกิเลสแต่พระองค์นี้เกี่ยวข้องด้วยอะไรด้วยกิริยาไม่เป็นกรรมเลยของเราทั้งหลายเกี่ยวข้องด้วยราคาโทสะโมหะพระองค์เกี่ยวข้องด้วยอ ะ, ะอะโลพะอโทสะแลอะอโมหะอันนี้คือความแตกต่างกันที่เรียกว่าซากหิวเลยเนี่ยนะห่างกันมากเนี่ยนะ เราทั้งหลายเนี่ยเ อ, อบางทียังแอบบคิดสิ่งนั้นด้วยอกุศลแจิตใช่ไหมแอบบไม่สบายใจแอบบเช่นแอบกบามมรรคตกบ้างแอบบพยาบาทวิตกบ้างแอบบวิหิงสาววิตกในในสิ่งนั้นบ้างแต่พระองค์มีไหมไม่มีนี่นี่คือความบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะพระองค์ไม่มีความลับในการทําบาปอากุศลเหล่านั้นนั้นเลยเนะแล้วพระองค์นี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดเนี่ยนะพระองค์สะอาดบริสุทธิ์สมตลอดกาลท่า น, นพระองค์นี้จึงเป็นผู้บริสุทธิ์ ตลอดกาลนะเป็นเป็นคนที่ดียิ่งกว่าคนดีทั้งหลายอันนี้คืออรหันตคุณถ้าหากว่าเรานึกหัวข้อคําว่าอรหันตห้าหัวข้อหลักเนี่ยนะเอาไวพ้พิจารณากับทุกอารมณ์นี่ก็จะเห็นชัดเลยว่าอ่พระองค์หนึ่งพระองค์อะไรกลายจากกิเลสซึ่งเราดูคนมีกิเลสสิเขาเขาเขาเกี่ยวข้องกับสมมุติว่าคนมีกิเลสเกี่ยวข้องกับเจดีย์ JD นี่เขาเกี่ยวข้องว่ายัางไง เ, เกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวคนมีกิเลสเกี่ยวข้องกับเจดีย์ว่าไง ก็เป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ตรงนั้น น, น, นะนะคอยรีดไถเป็นแบบเป็นโยงอยู่แถวนั้นอย่างเงี้ยไงก็นี่ถ้าคนมีกิเลสเกี่ยวข้องที่ไหนก็ได้บาปมาหมดเลยเห็นไหมครัคนมีกิเลสมิเข้าเป็นอย่างนั้นแต่พระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นเห็นะหคนมีกิเลสเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่หน้าปรารถนาก็กําหนัดเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่หน้าขัดเกลือนก็โกรธมานั่นแหละหัวฟาดหัวเหวี่ยงกลับมาเลยแต่พระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นโดยประการทั้งปวง อันนี้คืออร ห, รหนันต์อย่างกลายจากกิเลสสองสัตว์่าศึกภายในก็ทำลายหมดกล้วงเลยนะคิดดูนะคนไม่มีโรคเลยนนเนี่ยจะสุขภาพจิตจะดีขนาดไหนเอ่ะไม่มีโรคทางความคิดเน่สุขภาพจิตจะดีขนาดไหนนีนะอนะย่างอย่างคุณมะลิวันเนี่ยนะสมมติตอนที่ไม่ตื่นนี่สบายไหมสบายตอนนี้ล่ะโอ้ยกระโผลกระเพลกเต็มทีแล้วเนี่ยนะนะสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนี้แล้วเนะนะี่ย เมื่อก่อนคือพยาบาลคนไข้ามา ه, ตอนนี้พยาบาล ต, นะตัวเองกันนะเราพยาบาลตัวเองกัแล้วกันเราดูแลร้อนเพรศช่วยกันดูแ ล, ก, ก, าาแลาากันแล้วกันนี่ก็พยาบาลดูแลพยาบาลบ้างกัแล้วกันนะนะพยาบาลเรแล้ว่าดูแลความสื่อมเนี่ยนะนะ พอผู้ที่ดูแลความเสื่อมก็เสื่อมเปนเนีนะก็เป็นอย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายแต่ถ้าถามว่าไม่ป่วยไม่ไข้เป็นยังไงโอ้กระฉับก็เฉ็นหัวเราะขี้คักขี้คักสบายมีความสุขมากพอรโรคเขา้ามาแป๊บอๆไหนซึมพูดสามคำก็ไอแคกๆสักทีหนึ่งนะนตามสูตรเลยนะพูดสักคำสองคาก็ไอซะหน่อยเนี่ยนะแตเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละทั้นคนมีกิเลสนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเขออภัยคนที่ไม่สบายนี่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนสบายล่ะ โยยังไงก็สดชื่นไปหมดอะไรก็ดูดีไปหมดนะนะ่แต่ถ้าคนไม่สบายอะไรมันก็มันมันพวกไปส ม, มดมันไม่ดีไปส ม, มดเลยถ้าไม่สบายแล้วอะไรที่มันน่าปราถนาน่าพอใจนะมันลดความน่าพอใจไปห้าสิบเปอร์เซ็นตทันทีเลยมันไม่ดีจริงอย่างที่ที่ว่าแล้วนะแม้กระทั่งอาหารที่คือร่อยอร่อยมาเนี่ยพอป่วยไข้ขึ้นมามันอร่อยไหม ไม่อะไรละอันเนี้ยนะก็โอต้องอ้อนวอนคนเก่ยให้ทานข้าวกันนี่ก็เพราะว่าโรคคือร่างกายเนี่ยครอบงำย่ายีฐานใดโรคคือกิเลสมันครอบงาย่ายีในภายในก็ฉันนั้นมันโรคคือกิเลสถ้ามันครอบงาย่ํายีในความคิดในจิตโอ้มันทุกข์จริงๆริเนาะอเนี้ยนะทีนี้ข้อต่อไปว่าพราะองค์นี้หักสิกกรรมแห่งสังสารวัฏเพราะเรานมะ่คิดถึงอะไรเราก็ต้องเป็นกายกรรมไม่เป็นกายกรรมก็เป็น วจีิกรมไม่เป็นวจีกรรมก็เป็นมโนกรรมเพราะไม่เป็นกรรมเลยเอาเถอะเพราะอะไรเพราะอวิชกิเลสนี้เป็นเหตุแห่งกรรมเมื่อพระองค์ตัดกิเลสได้หมดแล้วกรรมของพระองค์ก็กลายเป็นกิริยาที่สุดของกรรมมันให้ผลเป็นอะไรที่สุดของแต่ละกรรมนะที่สุดของกรรมแต่ละกรรมให้ผลเป็นชรามรณะเพระองค์นี้เมื่อไม่มีกรรมถือว่าชรามรณะของพระองค์ในวัฏตะถือเป็นอันจบสิ้นแล้วนยนะ อย่างชาติสุดท้ายเนี่ยพระสรีระสุดท้ายที่พระองค์ประสูติที่นี่สรีระนี้ก็เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นผลอันนี้ก็คือชราเ ม, มรณะใช่แต่เหตุที่จะนําไปสู่ภพใหม่ต่างๆนี่พระองค์หักพระองค์ทำลายแล้วสัญ ส, สารวัตของพระองค์จึงไม่มีอีกต่อไปแล้วพระองค์สรุปว่าไม่มีความลับในการทําบาปอันนี้ดีมากเลยนะซึ่งผุุ้ชนทั้งหลายเนี่ยคิดไม่ออกว่าเป็นยังไง หมายคําว่าได้เหยุตัดใจแทนที่จะทําบาปแต่พระองค์ก็ไม่ทําเนี่ยนะอาอย่างเช่นอย่างอย่างทั่วๆไปนะพระองค์ไม่ติดแม้กระทั่งในการมคุณอันเป็นทิพย์เนี่ยนะไม่ติดแม้กระทั่งในการมาคุณอันเป็นทิพย์ที่น่าปรารถนาที่สุดเนี่ยนะในบรรดามหาผู้ที่น่ายินดีที่สุดพองค์มองเห็นหมดเลยแล้วพระองค์รู้ด้วยในพระองค์มีภูเขาทองอยู่กี่ลูกแต่ละอย่างแต่ละอย่างพระองค์มีทรัพย์สินเท่าไหร่ยังไงในพระองค์รู้หมดแต่ว่า ไม่มีฉันทะราค่าในสิ่งเหล่านั้นเลยเนี่ยตรงเนี้าทําได้ยังไงเห็นไหมของเรานี้บางทีนะรวงหายี่สบาทไม่เจอก็ชักหงุดหงิดแล้ว น, นะบางท่านก็เออมันก็เท่นั้นนะบางทีเนีหายอยู่ตรงไหนเนี่ยนะก็ชักชักเครือและชักอึดอัดแล้วเนี่ยก็เพราะว่าเราเป็นอะไรเป็นผู้อยูมใกล้กิเลสนะไกลอกุศลปัจจุภันในมิปตปฏิฆาในมิตเติ้นไปหมดเล ย, ยนะนะแต่ว่า นี่คือผลของการทําปริญญาว่าผู้ที่ทําปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยดีจริ ง, รงๆบริสุทธิ์จริงๆอันการพิจารณาการทําปริญญาจนสามารถตัดฉันทราคะในวัตถุทั้งหลายเนี่ยดีเยี่ยมหลักการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าจนได้เป็นพระพุทธเจ้านี้พระองค์ทำยั ง, ยงไงบ้างสัมมาสัมพุทโธหลักการปฏิบัติของพระองค์นะหลักการของพระองค์คือรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง กำหนดรู้ในสิ่งที่ควรกําหนดรู้และในสิ่งที่ควรละทาให้เจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งแล้วก็เจ ร, ริญในสิ่งที่ควรเจริญอะถ้าถามว่าอะไรควรรู้ยิ่งนะะอย่างหูเสียงโสตวิญญาณภาษาเวทนานรรี้ควรรู้ยิ่งควรรู้ยิ่งว่าอย่างไรก็ควรรู้ยิ่งสิ่งเหล่านี้พร้อมทางปัจจัยแล้วควรกําหนดรู้ยังไงกําหนดรู้ว่า หูเสียงโสตวิญญาณภาษาเวทนาควรกําหนดรู้ว่าเป็นของร้อนร้อนทะไฟคือราคาที่เป็นต้นนะนะก็ร้อนพะไฟคือราค า, ทนนะ า, ค า, คาโทสะโมหะร้อนทะไฟคือโสกกะพะริเทวะทุกขโทมนัตและอุตายาสสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาพาระองค์ก็รับรู้ในสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์มีความสําคัญหมายว่าหูนี่เที่ยงไหม สำคัญหมายว่าหูเสียงโสตวิญญาณภาษาเวทนาเหล่านี้ซเที่ยมั้ยก็ไม่สําคัญเพราะเราสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสุขไหมอ่านะเราทั้งหลายก็เวลานึกถึงคำสอนเราก็ว่ามันไม่สุขใช่ไหมแต่เผลอเมื่อไหร่อักสุขอีกแล้วนะเผลอบ่อยว่เผลอว่าเป็นสุขแต่จริงๆแล้วไม่สุขแต่เราก็เผลอใจบ่อยว่าพอพอเขาถามมาสุขหรือเป็นทุกข์ เรามลิกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเลยนะเอาความเห็นพระพุทธเจ้ามาเป็นเกราะกําบางเลยบอกเป็นพวกพระเจ้าข้าอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆดอกยืนมากสบายมากอั่างเงี้ยพอสู้ไหวเขาบอกยอมคนหลายคนเขาบอกผมไม่สู้มันไหวครับคำว่างนั้นบอกว่าเก่งขนาดนี้นะเอาอะไรก็สุขภาพนี่ร่ำร่ร่ำร่ำเป็นทีแล้วบอกยังสู้ไหวอีกนะเออทําใจได้ยังไงเนะาะนั่นเพี อ, องนี้แล่าไม่มี ความสำคัญว่าหูเสียงโสตะวิญญาณผัสสะเวทนาไม่สำคัญว่าเที่ยงไม่สำคัญว่าศกไม่สำคัญว่างามไม่สำคัญว่าย่างยืนไม่ผองไม่ได้เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เลยร่องคลายกำหนับในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดผองนี้ ต้องการดับสิ่งเหล่านี้โดยการทั้งพวงพระองค์ก็สลัดคืนสิ่งเหล่านี้ทั้งพวงท่านพ่อพระองค์กําจัดบาปอาคุณในสิ่งเหล่านี้แล้วอันนั้นคือสิ่งที่ควรน้าที่พระองค์ละแล้วส่วนที่ควรทําให้เจ้ามั้ยโสตานิโรธพระองค์ก็ทําให้เจ้าแล้วสัทธานิโรธพระองค์ก็ทําให้เจ้าแล้วโสตาวิญญาณนิโรธพระองค์ก็ทําให้เจ้าแล้วโสตัสมัสนิโรธพระองค์ก็ทําให้เจ้าแล้วโสตัสมัสนิโรธถ้าคามิมีไปขอไป โสตสัมผัสชาเวทนานิโรธพระองค์ก็ทําให้เจ้่มแล้วท่านทําให้เชื่เมื่อะไรด้วยสุโสโ ส, สดาปฏิผลสกาาัาคานมีผลอานาคามิผลและอรหัตผลที่มีนิโรธเหล่านั้นเป็นอารมณ์พระองค์ได้ทําให้เจ้งหมดแล้วพระอ ง, ง, งอค์ได้ยินเสียงและเจริญโพธิปักจจะรำได้เนี่ยอันนี้น่าสะใจว่าคิดได้ยังไงคิดได้ยังไงว่าได้ยินเสียงและเจริญด้วยโพธิปัจจะทำสามสิบเจ็ดเอาเดอ ได้ยินเสียงโพธิปักขยธรรมเ์อ่างนี้นะก็ตามเห็นเนอาเสียงเช่นอนุปัสนาเจตที่มีหูมีเสียงเป็นอารมณ์เรียกอะไรเรียกกายานุปัสนาอนุปัสนาเจตที่มีโสวตวิญญาณเป็นอารมณ์เรียกจิตตานุปัสนาอนุปัสนาเจตที่มีพัสสะเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมานุปัสนาอนุปัสนาเจตที่มีเวทนาเป็นอารมณ์เรียกว่า เวทนานื้อศาสนาพันธ์เพลได้ยืนเสียงเนืสติปัฏฐานสี่ดำรงมั่นเลยเนือเนื้อาสนาเจ็ดํารงมั่นในอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดจนละคลายวิตตะานแล้วพะวันเป็นผู้มีความเพียรมากเลยนะสมม่าเราได้ยินเสียงเ้าเพียรไหมยังไงอ๋อถ้าจะเพียรนะให้เพียรให้เป็นสัมมาตานานมะเพียรละบาปเพียรเจริญบุญนะคิดจะงไงให้เป็ น, ปนบุญคิดยังไงจึงจะละบาปได้อันนั้นก็เป็น สัมมาประธานและพระองค์ได้ยินเสียงนี่พระองค์มีฉันทะมีวิญญามีจิตตะมีปัญญาที่เจรณาสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าอิทธิบาทขณะนี้พระองค์ได้ยินเสียงพระองค์เจรนสัตว์ตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีได้หมดเลยแล้วพระองค์อบรมสติเป็นต้นเนี่ยเพื่อความกรจัดรู้ที่เรียกว่าโพชฌงแล้วพระองค์ได้ยินเสียง